อธิบายศีลสาหมวดที่หนึ่งในบรรดาศีลสามอย่างมีอถ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้ในศีลสามอย่างหมวดที่หนึ่งความว่าศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะหรือวิมังสาฉันตามชื่อว่าหินศีลศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปด้วยอิทธิบาต ท, ทำทั้งหลาย มีชั้นท่าเป็นต้นชั้นปานกลางชื่อว่ามาชิมศีลศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปด้วยอิทธิบาทธรรมะทั้งหลายชั้นปราณีตชื่อว่าปณีตศีลอีกอย่างหนึ่งศีลที่บุคคลสมาทานด้วยความเป็นผู้ใครยย่ยศชื่อว่าหีนศีลศีลที่บุคคลสมาทานด้วยความเป็นผู้ใคร้ผลบุญ ชื่อว่ามัชิมศีลศีลที่บุคคลสมาทานเพราะอาศัยอริยภาพว่าศีล น, นี้เป็นสิ่งที่ควรทำชื่อว่าปณิตศีลอีกอย่างหนึ่งศีลที่หม่นหมองไปด้วยบาปทำทั้งหลายมีการยกตนและข่มผู้อื่นเป็นต้นอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ส่วนภิกษุอื่นๆนี้นั้นเป็นผู้ทุศีนมีบาปธรรมชื่อว่าหีนศีนศีนที่ไม่หมุนมองอย่างนั้นแต่เป็นชั้นโลกียะชื่อว่ามัจจิมศีลศีนชั้นโลกุตระชื่อว่าปณีตศีลอีกอย่างหนึ่งศีนที่บุคคลประพฤติเป็นไปเพื่อต้องการภวะสมบัติและโภคสมบัติด้วยอำนาจแห่งตันหา ชื่อว่าหีนศีลศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปเพื่อต้องการความหลุดพ้นสำหรับตนชื่อว่ามัชิมศีลปารมิตาศีลที่พระโพธิสัตว์ประพฤติเป็นไปเพื่อต้องการความหลุดพ้นสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าปณีตศีลศีลสามอย่างโดยแยกเป็นหีนศีลมัชชิมาศีลและปณีตศีล ยุติด้วยประการชนนี้อธิบายสินสามหมวดที่สองในสินสามอย่างหมวดที่สองมีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้สินที่บุคคลผู้ใกล้เพื่อจะสละทิ้งซึ่งสิ่งไม่สมควรแก่ตนผู้มีตนเป็นที่เคารพประพฤติเป็นไปแล้วด้วยความคาระวะในตน ชื่อว่าอัตตาธิปไตยศีลศีลที่บุคคลผู้ใคร่เพื่อจะหลีกเลี่ยงการตําหนิของชาวโลกผู้มีโลกเป็นที่เคารพประพฤติเป็นไปแล้วด้วยความคารวะในโลกชื่อว่าโลกาธิปไตยศีลศีลที่บุคคลผู้ใคร่เพื่อจะบูชาความยิ่งใหญ่ของธรรมผู้มีธรรมะเป็นที่เคารพประพฤติเป็นไปแล้วด้วยความคารวะในธรรม ชื่อว่าธรรมาธิปตาศีลศนสินสามอย่างโดยแยกเป็นอัตตาธิปตาศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้อธิบายศีลสามหมวดที่สามในศินสามอย่างหมวดที่สามมีอธิบายดังต่อไปนี้ สินใดที่ข้าพเจ้าเรียกว่านิสิตาสินในหมวดสองสีนนั้นชื่อว่าปรมัตถสีนเพราะอันตันหาและทิฏฐิถูกต้องแล้วสีลอันเป็นเหตุแห่งมรรคยานของการยาปุปุชนและประกอบด้วยมรรคยานของพระเสขบุคคลทั้งหลายชื่อว่าอปปรมามัตถสีน ศีลอันประกอบด้วยผลละยานของพระเสขะและพระอาเสขะบุคคลทั้งหลายชื่อว่าปัตติปัสธิศีลศีลสามอย่างโดยแยกเป็นปรมัตถศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนี้อธิบายศีลสามหมวดที่สี่ในศีลสามอย่างหมวดที่สี่มีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้ ศีลได้ที่ภิกษุไม่ต้องอาบัต์บาเพ็ญแล้วหรือที่ต้องแล้วได้ทํากลับคืนอีกศีล น, นั้นชื่อว่าวิสุทธิศีลศีลที่ภิกษุต้องอาบัติแล้วไม่ได้ทํากลับคืนชื่อว่าอาวิสุทธิศีลศีลของภิกษุผู้สงสัยในวัตถุก็ดีในอาบัต์ก็ดีในอัชฌาจารย์ก็ดีชื่อว่าเวมติกศีล ในศีลสามอย่างนั้นอวิสุธทธิศีลอัญโยคีบุคคลพึงทําให้บริสุทธิ์เมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอย่าได้ทําการล่วงละเมิดวัตถุพึงกําจัดความสงสัยเสียความผาสุกใจจะมีแก่โยคีบุคคลนั้นด้วยอาการอย่างนี้ศีลสามอย่างโดยแยกเป็นวิสุธทธิศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้ อธิบายสินสาหมวดที่ห้าในสินสามอย่างหมวดที่ห้ามีอัธถาธิบายดังต่อไปนี้สินที่ประกอบด้วยอริยมรรคยานสี่และประกอบด้วยสามัญญผลสามชื่อว่าเศคขศินสินที่ประกอบด้วยอรหัตผลชื่อว่าอาเซคาศินศินที่เหลือชื่อว่า เนวะเศขนาเศขสินศินสามอย่างโดยแยกเป็นเศขสินเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้ส่วนในคำพีปฏิสัมพิทามัชท่านพระธรรมมเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไว้ว่าโดยที่แม้ความปกติของพวกสัตว์นั้นๆในโลกที่คนทั้งหลายอาศัยใช้พูดกันอยู่ว่า คนนี้มีสุขเป็นปกติคนนี้มีทุกข์เป็นปกติคนนี้มีการทะเลาะเป็นปกติคนนี้ประดับตนเป็นปกติดังนี้ก็เรียกว่าศีลฉะนั้นโดยปริยายนั้นศีลก็มีอยู่สามอย่างคือกุศลละศีลหนึ่งอกุศลละศีลหนึ่งอัพยากตะศีลหนึ่งศีลสามอย่างโดยแยกเป็นกุศลละศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้ ในศีลสามอย่างนั้นอากุศลศีลย่อมเข้ากันไม่ได้กับอาการของศีลที่ประสงค์เอาในอัถานี้มีลักษณะเป็นต้นแม้สักอาการเดียวดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้ยกมาไว้ในอธิการนี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบภาวะที่ศีล น, นั้นมีสามอย่างโดยในยะเท่าที่บรรยายมาแล้วเท่านั้น อธิบายศีรรสลสีหมวดที่หนึ่งในบรรดาศีลสีทั้งหลายศีลสี่อย่างหมวดที่หนึ่งมีอัธถาทีบายดังต่อไปนี้ภิกษุใดในศาสนานี้ชอบคบแต่พวกภิกษุทุศีลไม่ชอบคบพวกภิกษุมีศีลมองไม่เห็นโทษในการล่วงละเมิดวัตถุเป็นผู้โง่เสอะมากไปด้วยความดมริผิดไม่รักษาอินทรีย์ทั้งหลาย ศีลของภิกษุเช่นนี้นั่นแหลจัดเป็นหานภาคิย์ศีลส่วนภิกษุใดในศาสนานี้เป็นผู้พอใจอยู่ได้ศีลสมบัติไม่ทําความพอใจให้เกิดขึ้นในการบําเพ็ญกรรมฐานเนื่งเนืองศีลของภิกษุนั้นผู้ยินดีเฉพาะเพียงแค่ศีลไม่พยายามเพื่อคุณเบื้องสูงขึ้นไปจัดเป็นทิติภาคีย์ศีล อั น, นภิกษุได้ในศาสนานี้ผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วยังพยายามเพื่อต้องการสมาธิต่อไปศีลของภิกษุนี้จัดเป็นวิเศษสภาขียะศีลอันหนึ่งภิกษุได้ในศาสนานี้ไม่ยินดีอยู่แต่เฉพาะแค่ศีลสมบัติยอมประกอบหนึ่งเนืองซึ่งนิพพิธาคือวิปัสสนาต่อไปศีลของภิกษุนี้ จัดเป็นนิเพธภาคิยาีลศสินสี่อย่างโดยจำแน่เป็นหานภาคียาีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้อธิบายศีลสี่หมวดที่สองในศีนสี่อย่างหมวดที่สองมีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้ สิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติปรารบเฉพาะพวกภิกษุและสิกขาบทเหล่าใดที่พวกภิกษุเหล่านั้นจะต้องรักษานอกเหนือจากบทบัญญัติของภิกษุณีทั้งหลายนี้ชื่อว่าภิกขุศีลสิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติปรารบเฉพาะพวกภิกษุณีและสิกขาบทเหล่าใด ที่พวกภิกษุณีจะต้องรักษานอกเหนือจากบทบัญญัติของภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าภิกขุนีศีลศีลสิบประการของสัมมนเนรและสา ม, มนเนรีชื่อว่าอนุปสัมปันนศีลสิกขาบทหประการด้วยอำนาจแห่งนิจศีลหรือในเมื่อมีความอุตสาหะก็สิกขาบทสิประการและสิกขาบท8ประการ ด้วยสามารถองค์แห่งอุโบสถสำหรับอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายนี้ชื่อว่าขัทธศีลศีนสี่อย่างโดยแยกเป็นพิกุศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนีอธิบายศีลสี่หมวดที่สาม ในศีลสีส่อย่างหมวดที่สามมีอธาาิบายดังต่อไปนี้การไม่ล่วงละเมิดเป็นจาศีลของพวกมนุษย์ชาอุตรากุรุทวีปทั้งหลายจัดเป็นปกติศีลจารีประเพนีในขอบเขตของตนของตนของตระกูลของตำบลและของลัทธิเดียร์ีทั้งหลายจัดเป็นอาจาระศีล ศีลพระมารดาของพระโพธิสัตว์ที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าอานนท์ในการใดพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันพระมารดาความพอพระไทยในบุรุษอันประกอบด้วยกามคุณย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระมารดาพระโพธิสัตว์ดังนี้ศีล น, นี้จัดเป็นธรรมตาศีลอันหนึ่งศีลในชาตินั้นๆของจำพวกสัตว์ผู้บริสุทธิ์ เช่นพระมาหากัสสปะเป็นต้นและของพระโพธิสัตว์จัดเป็นปุเพเหตุกะศีลศีลสีสส่อย่างโดยแยกเป็นปกติศีลเป็นต้นยุติด้วยประการชนนี้อธิบายศีลสี่หมวดที่สี่ในศีลสีส่อย่างหมวดที่สี่มีอ ธ, ธิบายดังต่อไปนี้ ศีลดายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้สำรวมด้วยความสังวรคือปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติมองเห็นภายในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศีล น, นี้ชื่อว่าปาติโมกขสังวรศีลอนหนึ่งศีลดที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ยึดถือซึ่งนิมิตไม่ยึดถือซึ่งอนุพยาญชนะอคุศลบาปทรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนต์ย่อมไหลไปสู่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมซึ่งจกักขุนสีเพราะมีจกักขุนสีใดเป็นเหตุเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสังวรซึ่งจกักขุนสีนั้นย่อมรักษาซึ่งจกักขุนสีนั้น ย่อมถึงความสังวรในจกักขุนสีได้ยินเสียงด้วยโสตะแล้วได้ดมกลิ่นด้วยคานะแล้วได้ลิ้มรสด้วยชิวหาแล้วได้สัมผัสผดทพะด้วยกายแล้วได้รู้ธรรมมารมด้วยใจแล้วย่อมไม่ยึดถือซึ่งนิมิตย่อมถึงซึ่งความสังวรในมนินรีฉนันนี้ศีลนี้จัดเป็นอินรียะสังวรศี อันนึงการวิรัตจากมิจฉาอาชีพใดซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการล่วงละเมิดซึ่งสิกขาบทหกประการที่ทรงบัญญัติไว้เพราะมีอาชีวะเป็นเหตุและด้วยอำนาจแห่งบาปทรรมทั้งหลายมีอาธิอย่างนี้คือการหลอกลวงการพูดเลาะเลมการกระทำมิมิตรการด่าแช่งการสแสวงหาลาบด้วยลาบนี้จัดเป็นอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีล การบริโภคปัจจัยสี่อันบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาที่ตรัสไว้ด้วยในยะมีอาทิว่าภิกษุพิจารณาโดยแยกข่ายแล้วจึงใช้สอยจีวรเพียงเพื่อกำจัดเสียซึ่งความเย็นชั้นนี้จัดเป็นปัจจยะสันนิสิตตศีน์อธิบายปาติโมคสังวรสีล์ ในปาติโมคัสังวรสีนเป็นต้นนั้นมีคาถาวินิจฉัยพร้อมทั้งการพนานาตามลำดับบทจำเดิมตั้งแต่ต้นดังต่อไปนี้บทว่าอิทะหมายความว่าในศาสนานี้บทว่าพิกขุได้แก่กุลบุตรผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาที่ได้โวหารว่าอย่างนั้นเพราะเป็นผู้เห็นภัยในสงสารอย่างหนึ่ง เพราะเป็นผู้ใช้ผ้าที่ถูกทำลายแล้วเป็นต้นอย่างหนึ่งบทว่าปาติโมกขะในคำว่าสำรวมแล้วด้วยสังวรคือปาติโมกนี้ได้แก่ศีลอันเป็นสิกขาบทจริงอยู่ศีลอันเป็นสิกขาบทนั้นเรียกว่าปาติโมกขะเพราะคุ้มครองรักษาภิกษุนั้นคือปลดเปลื้องภิกษุผู้รักษาศีลนั้น ให้หลุดพ้นจากทุกทั้งหลายมีทุกในอบายเป็นต้นความระวังชื่อว่าความสังวรความสังวร น, นี้เป็นชื่อของการไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางกายและเกิดทางวาจาความสังวรคือปฏติโมกชื่อว่าปาติโมกขสังวรเป็นผู้สำรวมด้วยสังวรคือปฏติโมกนั้นชื่อว่า ปาติโมคขะสังวรสังวุตโตอธิบายว่าผู้สำรวมคือผู้เข้าถึงได้แก่ผู้ประกอบด้วยสังวรคือปาติโมบทว่าวิหรติหมายความว่ายังอัตภาพให้เป็นไปอยู่คืออยู่ด้วยอิริยาบถสี่อธิบายของบทว่า พูดถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นต้นพึงทราบด้วยในยะอันมาแล้วในพระบาลีนั่นเทียวจริงอยู่พระผู้มิพระภาคได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้พระบาลีแสดงอาจาระและโคจรบทว่าพูดถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรไขความว่าอาจาระมีอยู่อนาจาระมีอยู่ ในอาจาระและอนาจาระนั้นอนาจาระเป็นอย่างไรความล่งละเมิดที่เกิดทางกายความล่งละเมิดที่เกิดทางวาจาความล่งละเมิดที่เกิดทั้งทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าอนาจาระแม้ความทุศีนทุกทุกอย่างก็ชื่อว่าอนาจาระภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ย่อสมสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพคือด้วยการให้ไม้ไผ่บ้างด้วยการให้ใบไม้บ้างด้วยการให้ดอกไม้ผลไม้แป้งเครื่องสนานและไม้สีฟันบ้างด้วยความเป็นผู้ประจบสอพอบ้างด้วยความเป็นผู้เหมือนแกงถั่วบ้างคือพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างสุกสุกดิบๆบเหมือนแกงถั่วด้วยความเป็นผู้รับเลี้ยงเด็กบ้างด้วยรับส่งหนังสือด้วยกำลังแข้งบ้าง หรือด้วยมิจฉาอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงคกรหาอย่างใดอย่างหนึ่งการสําเร็จความเลี้ยงชีพนี้เรียกว่าอนาจาระในอาจาระและอนาจาระนั้นอาจาระเป็นอย่างไรความไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทั้งทางกายและทางวาจา ความไม่ล่วงละเมิดนี้เรียกว่าอาจาระแม้สังวรคือศีลทั้งหมดก็เรียกว่าอาจาระภิกษุบางรูปในศาสนานี้ย่อมไม่สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพคือด้วยการให้ไม้ไผ่บ้างด้วยการให้ใบไม้บ้างด้วยการให้ดอกไม้ผลไม้แป้งเครื่องาสนานและไม้สีฟันบ้างด้วยความเป็นผู้ประจบสอพลอบ้าง ด้วยความเป็นผู้เหมือนแกงถั่วบ้างด้วยความเป็นผู้รับเลี้ยงเด็กบ้างด้วยรับส่งหนังสือด้วยกำลังแข่งบ้างหรือด้วยมิจฉาอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงคอรหาอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างการไม่สาเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพนี้เรียกว่าอาจาระบทว่าอาโครจรไข ค, ความว่า โคจรมีอยู่อโคจรมีอยู่ในโคจรและอโคจรนั้นอโคจรเป็นอย่างไรภิกสุบางรูปในศาสนานี้เป็นผู้มีหญิงแพทยสยาเป็นที่โคจรบ้างมีหญิงไม้สาวเท้อบันดอกภิกสุนีและร้านสุราเป็นที่โคจรบ้างเป็นผู้อยู่คลุกคลีกับพระราชาหมาอัมมัดของพระราชา กับพวกเดียร์ถีและสาวกของพวกเดียร์ถีด้วยการคลุกคลีกับเข้าวหรือหัดอันไม่สมควรละหรือย่อมซองเสพคบหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้ซึ่งตระกูลทั้งหลายเห็นปานชนีคือตระกูลที่ไม่มีศรัทธาตระกูลที่ไม่เลื่อมใสตระกูลที่ไม่ได้เตรียมตั้งเครื่องดื่มไว้ตระกูลที่ด่าที่บริภาตตระกูลที่ไม่ใคร่ประโยชน์ ตระกูลที่ไม่ใครความเกื้อกูลตระกูลที่ไม่ใครความพาสุขตระกูลที่ไม่ใครความเกษมจากโยคะธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายพฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าอักโคจรในโคจรและอัโคจรนั้นโคจรเป็นอย่างไร ภิกษุบางรูปในศาสนานี้เป็นผู้ไม่มีหญิงแพทยยาเป็นที่โคจรเป็นผู้ไม่มีหญิงไม้สาวเท้อบันดาะภิกษุณีและร้านสุราเป็นที่โคจรเป็นผู้ไม่คลุกคลีกับพระราชามหาอัมมัดของพระราชากับพวกเดียรถ์ถีและสาวกของพวกเดียรถ์ถีด้วยความคลุกคลีกับขารือหัดอันไม่สมควรและหรือ ย่อมสองเสพคบหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้ซึ่งตระกูลทั้งหลายเห็นปานชนี้คือตระกูลมีศรัทธาตระกูลเลื่อมใสตระกูลเตรียมตั้งเครื่องดื่มไว้ตระกูลรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพัดตระกูลฟุ้งตลบไปด้วยกลิ่นฤาษีตระกูลใกล้ประโยชน์ตระกูลใกล้ความเกื้อกูลตระกูลใครความผาสุกตระกูลใครความเกษมจากโยคะธรรม แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายพฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าโคจรภิกษุเป็นผู้ประกอบแล้วประกอบพร้อมแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปพร้อมแล้วเข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วมาตามพร้อมแล้วด้วยอาจาระนี้และด้วยโคจรนี้ ด้วยประการดังอ ธ, ธิบายมาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอาจาระโคจรสัมปันโนแปลว่าพูดถึงพร้อมด้วยอาจาระละโคจรชนี้อีกประการหนึ่งในอธิการแห่งปาติโมคสังวรสมนี้นักศึกษาพึงทราบอาจาระละโคจร แม้โดยนัยยะดังจะพนานาต่อไปนี้อนาจาระหรืออนาจาร์อนาจาร์ทางกายก็แลอนาจาร์มีสองประการคืออนาจาร์ทางกายหนึ่งอนาจาร์ทางวาจาหนึ่งในสองประการนั้นอนาจาร์ทางกายเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในศาสนานี้แม้เข้าสู่ที่ประชุมสง์ ก็ไม่ทาความเคารพยืนเบียดบ้างนั่งเบียดบ้างซึ่งภิกษุทั้งหลายชั้นเทระยืนข้างหน้าบ้างนั่งข้างหน้าบ้างนั่งบนอ า, าสนะสูงบ้างนั่งคลุมศรีรษะบ้างยืนพูดบ้างกวักมือพูดบ้างเมื่อภิกษุทั้งหลายชั้นเทระเดินไม่สวมรองเทา้าก็เดินสวมรองเทา้าเมื่อภิกษุทั้งหลายชั้นเทระเดินจงกรมอยู่ ณที่จงกรมต่ำไพล่ไปเดินบนที่จงกรมสูงเมื่อภิกษุทั้งหลายชั้นเทระเดินจงกรมอยู่ที่พื้นดินไพล่ไปเดินจงกรมเสียบนที่จงกรมยืนแท็กบ้างนั่งแทกบ้างซึ่งภิกษุทั้งหลายชั้นเทระกีดกันแม้พวกภิกษุใหม่ด้วยอาสนะแม้อยู่ในเรือนไฟไม่อาจบุจชาภิกษุทั้งหลายชั้นเทระ ก็ใส่ฟืนปิดประตูแม้นาที่ท่าน้ำก็ลงเบียดภิกษุทั้งหลายชั้นเทระลงไปข้างหน้าเสบ้างสงเบียดบ้างสงอยู่ข้างหน้าบ้างขึ้นเบียดบ้างขึ้นไปข้างหน้าบ้างแม้เมื่อเข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินเบียดภิกษุทั้งหลายชั้นเทระบ้างเดินไปข้างหน้าบ้าง และเดินแซงไปข้างหน้าข้างหน้าของภิกษุทั้งหลายชั้นเทระแม้น่าห้องลับและห้องปิดบังสำหรับตระกูลทั้งหลายที่กุลลสตรีกุลละกุมารีทั้งหลายพากันนั่งเล่นเช่นนั้นเธอก็จู่โจมเข้าไปลูกคลำศีรษะเด็กบ้างอันว่าพฤติการเช่นนี้เรียกว่าอนาจารทางกาย อานาจารทางวาจาในอานาจารสองประการนั้นอานาจารทางวาจาเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในศาสนานี้แม้ไปสู่ที่ประชุมสงแล้วก็ไม่ทำความเคารพไม่อาบุญชาภิกษุทั้งหลายชั้นเทระพูดธรรมะวิสัญญาปัญหาแสดงพระปฏิโมกยืนพูดบ้างกวักมือพูดบ้าง แม้เข้าไปสู่และแวกบ้านแล้วย่อมพล่าำพูดกับสตรีบ้างกับกุมารีบ้างอย่างนี้ว่าคุณยมผู้มีชื่ออย่างนี้มีนามสกุลอย่างนี้มีอะไรไหมมีข้าวยาคูไหมมีข้าวสวยไหมมีของเคี้ยวไหมอาตมาจัดดื่มอะไรจัดเคี้ยวอะไรจักชั้นอะไรคุณยมจัดถวายอะไรแกอาตมาหรือ อันว่าพฤติการของภิกษุนั้นเช่นนี้เรียกว่าอนาจารทางวาจาส่วนอาจารระหรืออาจารย์นักศึกษาพึงทราบด้วยสามารถข้อความอันตรงกันข้ามกับอนาจารนั้นเถิด